คำสอนพระพุทธเจ้ามาลำดับลำนำสู่กันฟังเรียกว่าบทท่องจำแต่ไม่ได้ลืมใะตามคำสอนพระพุทธเจ้าประกาศว่ามาเถิดมาเถิดมาสู่ทำไม่ไหนของเราทำไม่ไหนของเราตัดไว้ดีแล้ว นจงเป็นผู้ประพฤติตามทำไว้ไดนนั่นเถิดก็เป็นที่สิ้นทุกข์ท่องปวงหน้าผู้ใดสิ้นทุกข์แล้วก็บอกว่าจงปฏิบัติตามทำไว้ไหย น, นั่นเถิดเท่านั้นแม่แต่ผู้สิ้นทุกข์ก็ตามทําไว้ไหนทาไว้ไหนนี้เหมือนเช่นได้อี่ลอยดอกไม้ ดอกไห้ต่างต้นต่างเหล่าต่างพันต่างกินต่างสีเมื่อมาลอยเข้าเช่นได้เอาเช่นได้ไปลอยเข้ากันได้แล้วก็ย่อมเป็นตายเป็นพวงมาลายไม่ไกคะจุยกระจายมีค่าพวกเราก็เช่นดอกไมต่างต้นต่างพ่อต่างแม่ต่าง เนตใจใจคอที่เป็นมาอย่างไรก็เมื่ออามาเอาเส้นได้มาลอยเข้ากันแล้วก็เป็นอันเดียวกันอยู่ในลำรับอันเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันอยู่ในเช่นอันเดียวกันเช่นเรามีสติเรานั่งอยู่นี่ทั้งนักบวดทั้งคราวาสอันเดียวกัน สติเหมือนเช่นได้สติเหมือนเช่นได้ถ้าเรามีสติก็อันเดียวกันถ้าไม่มีสติก็กระจุยกระจายกันอยู่นี่พระเจ้าเชื่ออย่างนี้เชื่อมั่นอย่างนี้มาชว่วยทำให้ไหนของเราเมื่อใดเราอยู่ในเช่นได้มีสติโลกกะไม่ว่างจากพระอรหันต์แน่นอน สติหรือเส้นได้นี่มันอยู่โดยชอบไม่กระจูยกระจายนี่คือวัดปฏิบัติที่เราผู้หมายสู่ทาไม่ได้เหมือนกับเรามานั่งอยู่นพ่่งแพริําเดียวกันต่างคนต่างอยู่ในแพริ่ก็เป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติ ไปทูจิตหมายปลายทางถ้าเรารู้มันก็ไปจากความหลงมันไปเขามันเองนั้นเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ธรรมชาติธรรมะกฎธรรมชาติแบบอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ถ้าเรารู้ความหลงก็หมดก็น้อยลงหรือหมดไป ถ้าเราหลงความหลงก็เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่มีสติความหลงเพิ่มขึ้นเหมือนกับแผ่นดินขาดล้ามต้นปีนี้ครึ่งปีแล้วก็แห้งแรงไม่มีอะไรงอกงามขึ้นเราเกลียดข้าวเราไม่มีสติชีวิตแห้งแรงชีวิตแห้งแรงคือเกิดปัญหาความโลภความโกรธความหลง เกิดขึ้นอันพิชีวิตคู่ใดหแห้งแล้งถ้าเรามีความเพียรมีสติเหมือนน้ำฝนเราชุ่มขึ้นมามีได้ชุ่มขึ้นมาได้ต้องทำเอาเองก็จะเปียบเหมือนกับข้าวปลาอาหารพ่อแม่หามาไว้ให้เราอยู่เรากินเราไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่า เรื่รู้สึกตัวอริยภาพภายในไม่มีใครหาให้เราได้เราหลงเองเราก็ทำบาปเองก็ย่อมเศ้าหมงเองไม่ทําบาปเองไม่หลงก็หมดจดเองความเศร้าหมงความหมดจดเป็นของของต น, น, นเหมือนล่อเกี่ยนหมุนตามรอยเท่าของโคลส่วนนั้นมันไม่หนีไปไห น, ม, นมีลอยลอยความหลง ลอยความรู้ถ้าความรู้ก็มีลอยไปสู่ทางหนังถ้าความหลงก็รอยไปสู่ทางหนังไปคนละทางกันถ้าชีวิตนี้ถ้ามีภาวะที่รูก้ก็อุดมสมบูรณ์เป็นมากเป็นผลความรู้เกิดมากเกิดผลควงหลงเกิดบาปอกุศลมันก็ไปแบบนี้ ถ้ามีความรู้ไม่ต้องไปปาถรามักฝนนิพพานมันเป็นไปเองมันยินไปเองมันหมดไปเองชีวิตมันก็จบเป็นมันแช่ได้เราก็ขาดเอาอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นไม่ใช่อยู่ที่ไหนมีระโลกอยู่ที่นั่นถ้าเราผิดพลาดเรื่องนี้ก็เป็นไปอย่างนั้น ช่วยกันไม่ได้บางคนมีความหลงบางคนไม่หลงบางคนมีความโกรธบางคนไม่มีความโกรธคนมีความหลงก็มีความโกรธควทุกคนไม่มีความหลงก็ไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์มันก็ต่างกันเรืมรู้สึกตัวทาให้เราไม่มีความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ความหลงทำเราให้ความโลภความโกรธความหลงความทุกข์มันเป็นอย่างนี้ ชีวิตของคนเราเป็นอย่างนี้เราก็มีสิทธิที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองมีสติจึงมาดูแลกายมาดูแลใจของเรานี้ให้มันคุ้ม3ามคนต่างดูแลตัวเราเองชีวิตของเราก็ไม่มากมีกายมีใจปัญหาเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้การแช่ปัญหาก็แช่ที่กายที่ใจนี้ ไม่ได้เจ้ที่อื่นยิ่งทำมาเหตุปพปปวาเตังเหตุตงตถาคโตเตัะจะโยนิโลโทจะเอวังวาทีมหาสมโนพระพุทธเจ้าสอนเท่านี้จริงทุกสิ่งเกิดแต่เหตุแต่ดับกคดับที่เหตุว่าตถาคตสอนอย่างนี้ครูของเราสอนอย่างนี้ไม่ใช่ไปเจ้ที่อื่นเหตุมันเกิดที่ไหน ว่ามีที่กายที่ใจจ่าจกายใจไม่มีสติก็เกิดหลงปัาเถือน ส, สน้ำๆลายก็เถือนใจก็เถือนเ้าหอบเขาหิวไปไหนก็ได้มันใช่ชีวิตชีวิตมันต้องไม่เป็นอะไรลองส้ผัดดูมีสติมีสม้ำจญญยะดูอยให้มันเถือน ให้กายมีเจ้าของให้ใจมีเจ้าของเจ้าของกายเจ้าของใจคือสติสัมปชัญญะเหมือนสิ่งของวัตุมีเจ้าของสิ่งใดมีเจ้าของสิงนั้นก็อยู่ได้ไม่เสียหายถ้าสิ่งไหนไม่มีเจ้าของสิ่งนั้นก็เถื่อนสมรทนสาธลนะเกิดการเสียหายได้ แด่เป็นจิตก็เป็นจิตโสเพณีเราหอบขีวไปไหนต่างกันว่าฝันกลางวันว่าคิดไหลเรื่อยถ้าเรามีสติแล้วก็ลิขสิทธตเป็นส่วนตัวมีสติมันหลงมีสติไม่หลงมันทุกมีสติไม่ทุกมันโกรธมีสติไม่โกรธสติเรื่อนี้ เป็นธรรมาที่ปไตยธรรมาที่ปไตย้ย้อหน่วยเปอรเนไม่ต้องเป็นเรียกร้องจากใครอยู่กับเรานี้จึงเป็นมนุษย์สมบัติสมบัติของมนุษย์สวรรค์สมบัติสมบัติของมนุษย์นิพพานสมบัติสมบัติของมนุษย์ษยถ้าเราไม่ใช่สิ่์ตรงนี้เราก็เสียความเป็นมนุษย์เสียชาติ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 เอาของหนักออกก็หนักไม่สลัดของหนักทิ้งสุกก็หนักทุกข์ก็หนักโตปวดหลงก็หนักยึดมั่นถือมั่นก็หนักเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผู้ด้อยเป็นผู้เสียเป็นผู้อะไรอะไมันก็หนักที่เจ้าจึงบอกว่าสลัดของหนักพระเดี๋ยเจ้าสลัดของหนักทิ้งลงแล้วไม่ยึดตัวของหนักขึ้นมาอีก มยืดเตาของาขึ้นมาอีกกิจของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่ไหลโพรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันเป็นไปได้แล้วซึ่งปวอมสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงคือถึงนิพพานมันเป็นอย่างนี้มาหน้าที่จะเป็นสิทธิที่เราจะต้องใช้ให้เต็มที่อัตตาที่ปเตยยะเราก็อยู่ที่เนี่ย หักตาเคอมีกายมีใจส่วนตัวมีสิทธิส่วนตัวกายนี้กใจนี้ตัวบุคที่ประเตยะอยู่กับโลกมีสิทธิทเท่าเทียมคนคนอื่นเป็นอธิปไตยของโลกต่วไปก็ขนส่งไปถึงธรรมมาที่ประเตยะขนส่งเข้าถึงธรรม ใั่วิทยาศาสตร์เราพูดเปล่า่าไม่ได้ยินวิทยาศาสตร์บางครั้งไปได้ยินข้างผู้เจ้าคงไม่มีอะไรแต่ว่าเราก็คิดเสร็จแล้วเงื่ออะไรต่างๆประกอบ เเฉพาะล่องตาแล้วก็เสียงไม่ค่อยมีภาพพ่ไม่ค่อยได้แล้วเสื่อมหมดไม่เต็มที่การใช้ชีวิตไม่เต็มที่อยากจะบอกอจะสอนอยากจะทำอะไรต่างๆก็ทำไม่ได้มันก็เช่นี่ชีวิตของเราแต่ก็โดยใช้คิดมา ในเพศของนักบวชเนี่ยอสมควรคนบางกลัมาไหว้ไม่อายอยู่กติกินข้าวชาวบ้านนุ่งห่มผ้าชาวบ้านที่นำมาให้ก็ววไม่ละอายเท่าไหร่หรือว่ากุ้มค่าเราใช้ชีวิตเพื่อแผ่นดินนี้เพื่อโลกไม่ใช่ส่วนตัวเรา ทำอะไรเป็นของส่วนรวมเป็นสมบัติของโลกสมควรที่จะให้อยู่ในชีวิตแบบนี้ต้องขออภยัยแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เท่าที่ควรล้มเหลวก็ว่าได้สอนคนเกือบจะทุกวันคนไทยก็ยังสะเลาะวิวาทกันอยู่ลางคนก็ สอนไม่กินเหล้าก็ยังกินเหล้ากันดู่ลังคนสนให้สูบบุหรีก็สูบบุหรีกันอยู่ลังคนสนให้โกรธก็ยังโกรธยังหลงยังทุกข์ปฏิบัติต่อหน้าต่อตาไปถามดูว่ายังทําไม่ถูกดูหน้าผูดผูดหน้าบึงบ้งบึ้งตาแดงแดงเหมือนกับหนัก เหมือนกับแบกช้างสักตัวหนึ่งไปถามดูเป็นยังไงหนูเพราะเป็นหนุ่มสาวเราก็พูดออกมาวันนี้หนูเทียบมันคิดนะน่า ง, ง่วงก็ ง, ง่วงหลังตาก็บอกแล้วว่าดูหนะ้าตาก็คงจะเป็นแบบนั้นก็เลยบอกก็ถามต่อไปว่า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 ถ้าเราเปรีดีก็ผ่านได้ง่ายๆตอบใหม่เจอตอบยังไงหนูก็เครียดจริงๆมันก็ง่วงน้องพ่อบอกให้หลานตาบอกให้ดูเห็นอย่าเป็นมันเครียดเห็นมันเครียดมันง่วงเห็นมันง่วงเคยได้ยินไอย ก็ได้เย็นทุกวันทำไมจึงไม่ทำแบบที่บอกไปซุกซนไปดื้อไม่รู้จักแก้ไขตัวเองดูก็สมถาจะยิ้มขึ้นมาเปลี่ยนสีหน้าใหม่แล้วเถอโอ้วันนี้หนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้ใช่ได้ตอนนี้หนูเห็นมันเครียดนั่นแหละเห็นมันอย่าเป็น มันเทียดมันไม่ใช่ชีวิตเรามันเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตายกับใจเราแปดเมิ่นสี่พันจางที่มันจรมาทำาไมเศร้าหมองทำให้หนักทำให้หลงว่าสารเลยวาบคิดเฉยๆมันฉี่ช่างฉี่มามาไหมนอน่นดาเลยบอกว่ากิเลสเหมือนหมาตัวหนึ่งเคยตีวันช่าง มันไว้อะไรมันเครียดก็คิดเป็นผู้เครียดหน้าบูดดำเบิงเข้าไปมันง่วงง่วงง่วนแอไปเชมเสียงในความบ่นแอของตาบอกเวลาบางง่วงตื่นตรงนั้นของหนักเป็นเบาขึ้นมาของหลงเป็นรู้ขึ้นมามันตรงกันข้ามสวมหลงไม่ควมรู้ตรงกัน ความโกรธความไม่โกรธตรงกันความทุกข์ความไม่ทุกข์ตรงกันมันมาพ้องกันปัญหาหมากับปัญญาควมทุกข์หมากับความไม่ทุกข์ก็ไม่เปลี่ยนตรงนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนโกรธจนตายหลงจนตายทุกข์จนตายแล้วจะหลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายเราจะไม่แค่ไมเปลี่ยนมากเลยเรวก็เปลี่ยนหนัก เห็นกัเป็นมันต่างกันเห็นพระเจ้าสอนให้เห็นมันมาให้เราเห็นมันมาไม่ใช่มาให้เราเป็นปลอมหลงเราก็เห็นสติเหมือนดวงตาหน้าโลกปุชุงก็ยังเปริมุก ข, ขังจะติงอุปัตเตเปตวาผู้ใดมีสติเป็นหน้าโลกสติเป็นหน้าโลกสติเป็นไม่ไหน คือไม่เผลอเหมือนพระขี่หน่ศกผู้มีสติเป็นวทนายไม่น่าโรบอยู่เสมอไม่เผลอเนี่ยพระขี่หน่ศพคือมีสติเป็นวินัยขี่หน่ศกคือปะละหันละหันน้อยน้อยนิพพานน้อยน้อยนิพพานเชื่อมลองอันหลงไม่หลงความหลงหมดไปแล้วเย็นลงแล้วความโกรธไม่โกรธความโกรธหมดไปแล้วหลือความไม่โกรธเย็นลงแล้ว มันเย็นในความร้อนความโกรธมันร้อนควมทุกข์มันร้อนมันเย็นลงที่นั่นการเย็นแบบนี้เรียกว่านิพพานสัตว์ดุร้ายสัตว์พยศสอนไปสอนมามันหมดพยศด้วสัตว์นิพพานช้างมันพยศอยู่ในป่าอมหัดมันมันหายพยศอามาใช้งานหมาพยศอามอฝึกให ใช่ได้เป็นช่างศึกเป็นมาศึกลบได้เหมือนหมดปรพยชพิชิตเหล่าหมดปพยพิชน์ถ้ามาหมดพยพยชน์ชางหมดพยพยชน์ก็เรียกว่านิพานเข้ามันหมดร้อนก็หล่อเข้านิพานมันเย็นหมดทุกข์หมดสุขหมดโูภหมดโกรธหมดหลง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 จะล่อไปทั้งไหนไม่ใช่ออื่นเมื่อต่อรองฉันป่วยฉันแกฉันเป็นหนุ่มฉันเป็นวัยรุ่นไปเกี่ยวข้องแบบนั้นอันความรูกควงหลงไม่เกี่ยวกับหนุ่มกับแก่นันอยู่กับปกายกับใจเหล่านี้ทุกคนมีกายมีใจอันเดียวกันมาใช่ให้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องอา้างว่าเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชเป็นสามันลักษณะเสมอกันแต่นักบวชก็ใช้ชีวิตแบบนักบวดหัดเพื่อเปรียบเหมือนกับนุบมีปีกบินนักบวชมีจีวนมีบาดเป็นปีกอ้อมจะบินไปไหนมีเท่นด้ เราไม่เหมือนกับญาติโยมม่ลูกเวินหลานต้องรับผิดชอบไม่ให้โทษทิ้งการสอนเรื่องนี้ไม่ใอ้ทษทิ้งลูกหลานให้ดูแลการปล่อยวางไม่ใช่โทษทิ้งวางใจเฉยๆกายิ่งดีมีลูกมีเมียก็ยิ่งดีแต่ได้เป็นแบบอย่างจะดูช่วยกัน ยิ่งขยันขวบเป็นนักบวใชใชชีวิตเป็นประโยชน์อยู่ด้วยกันพูดให้กันได้ยินทำให้กันดูแล้วก็ทำให้ตัวอย่างอาจจะดีขวบคำสอนด้วยซ้ำไปมีประโยชน์เห็นหน้ากันได้มีพานพัญญาเห็นหน้าสามีพัญญาได้ในพานก็หน้าสามีชุ่มช่ ไม่บูดเบื้องตึงเครียดเห็นหน้าก็ดีใจเย็นใจสามีเห็นหน้าพันญาก็ได้น槃พ่อไม่เห็นหน้ า, ญญ า, น า, นนนาลูกก็ได้นพ涅槃มีแต่คนดีดีพูดออกมาเป็นเสียงดีๆชื่นใจได้ยินเสียงลูกพูดกันมีความสุขลูกเต้าได้ยินเสีงพ่อแม่พูดกันมีความสุข ถ้ามีปัญญาเห็นกันมีความสุขมันก็เป็นประโยชน์อย่าทำให้กันเดือดร้อนอย่าทำให้กันหนักป็นทุกข์ให้มันเย็นเป็นหน้ากั น, นเย็นจนพรามเห็นหน้าพูเจ้าพดทูปพรเจ้าเป็นธรบาร์ตามกวดบ้านอยู่หน้าบ้าน เห็นพระพุทธเจ้าอุ้มบาตเดินไปเป็นท บ, บาทมองแบบหลกไม่ได้ก็เลยวางตาดลงปัดท้อปัดท้อะไระสวยเลยไม่เหมือนนะสาวสวยหนุ่มสวยไม่แบบนั้นนะปัท้สาวสวยอ่าไม่ใช่แบบนั้น ว่าโทษว่าโทใครมีสามีอย่างนี้ภรรยาได้นิพพานพวกอะไรหน้าตามันเย็นใครมีภรรยาอย่างนี้สามีได้นิพพานใครมีลูกอย่างนี้พ่อแม่ได้นิพพานว่าโทษ น, นี่เขาดีมีครอมีครัว จะได้ช่วยกันไม่สวนในทอดไริ้งอยู่ที่ไหนก็อยู่ในหน้าที่ของเราเรามาปฏิบัติทางก็มาเป็นคนดีไม่ทาให้ใครเดือดร้อนถ้าเป็นคนดีที่ไหนก็ทำดี้าลักกันไม่ยชลักด้วยความคิดอะไรอาวรณ์ แล้วพ่อเราแม่ก็ต้องเป็นคนดีแล้วพัญยาสามีต้องเป็นคนดีไวยเนื้อเชื่อใจอันนี้นะให้บ่อยวางทางกิตไม่ใช่ทอดทิ้งกันถ้าใครที่จะไม่เก็นททกเกิดร้อนก็ไปได้เช่นพระเจ้าสิทธัตถะไปบวชไม่ใช่ทิ้งดูแล้ว ตกลงกันแล้วพิมพาก็ไม่ลำบากลาหุนก็ไม่ลำบากเฮฉนนมกำนานในมากเลี่ยงโดพิมพาก็มีประสาทสามเลือดโดอยู่กับพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าตัดสินจะเดืองขาดไม่ลำบากพิมพาก็รักราหุ่นสิริธาสิทธาก็รักพิมพารัก ความรักสองคนทั้งรักของเรามีเพียงสองคนไม่เพียงพอให้ความรักของเรารักคนทั้งโลกและรัคนทั้งโลกของช่วยคนให้พ้นการเกิดเจ็บเจบตายไม่ได้ถ้าคนนั้มีการเกิดเจ็บเจบตายนี้เราไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่เสียสละใครจะเสียสละใครจะศึกษาเรื่องนี้ตกลงกัน ไม่ใช่โทษทิ้งเขี่ยเลยเอาเลอยเสด็จพี่เอาเอยเสด็จพี่ไม่ต้องห่วงอย่าห่วงเวลาไปทรมานก็ได้ก็ไม่ได้ห่วงลูกห่วงเมียต่อพิมพาเขี่ยแล้วเอาเอยเสด็จพี่ไม่ต้อง ก, กังวลขณะเสด็จออกบวชวันแรกพระเจ้าโตนน่ะพิโรธโกดธมากต่าว่าอามาด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 ถูกต้องแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไม่ศีลธระเสด็จไปตามพระองค์ที่ได้ตั้งใจเถิดเตะโปรงหยุดนิ่งไม่พูดอะไรเงียบพระเจ้าโทดตาเงียบอยบไปคิดอะไรมาปฏิบัติธรรมลาพ่อลาแม่มาบวชบอกลูกบอกเท่ามาบวช นะปฏิบัติก็แม่เมื่อวานก็บวชกันตั้งเกศลูกจะเหมือนว่าวานมเมล็ดโทธิคิดหวังว่าลูกชายจะเป็นคนดีได้มาบวชได้มาอบรมมาปฏิบัติธรรมคงจะดีปราจาให้ลูกเป็นคนดีหวานพืชลงไปให้มันเกิดความดีขึ้นมาว่า ศึกษาปฏิบัติธรรมบวชคือโไวบบ้าโบเหรนโชช่างเป็นภาษาบาลีอ่าเป็นภาษาไทยก็รูว้ ว, ว, ว่าปวชะปวัชะแปลว่าดำลิหนีจากความชั่วไปสู่ความดีความชั่วมีเท่าไหร่หนีหมดพยายามหนีความดีมีเท่าไรหาาาไร่พยายามทม มันต้องดีแน่นอนมันหลงไม่หลงเวียนหลงเป็นลูกเหมือนโกรธไม่โกรธเปลี่ยนโกรธ เ, เป็นไม่โกรธชั่ไหมควมโกรธ ด, ดีไหมนะในขีมโกรธ ด, ดีไหมจินข้าวแซบ่บ๊อบนอนหลับบ๊อบยกมือจนคอยเศร้าความโกรธนขึ้นหนึ่งติสองมือมีบ๊บ โกรธ ม, มันมีไหมกูได้ <laughs> โกรธตายก็ไม่ลืมอ่ะเวลาช่างสั่นเอีถ้ากูได้โกรธตายก็ไม่ลืมนะถ้ากูได้โกรธ ก, กูไม่ดา่ามันกูไม่ยอมเป็นที่ฉันบอกมันดีไปนั่นติแต่งบุรุษมันเบี่ยนมันสาต้องเปลี่ยนเอาสิเวลามันโกรธนั่นแหละลาบเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวได้เห็น เห็นความโกรธโอ้ยเปลี่ยนความโกรธเปยนความไม่โกรธสมน้ำหน้าความโกรธมันถูกต้องที่สุดเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นโลนโอ้ยถูกต้องที่สุดไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้เลยเพือบจะสามิบปีมารึกษาดรงนี้หลวงพ่อที่อานสอน เวลามันหลงคิดไปไม่ได้ตั้งใจรู้ขึ้นมาปัโต้มีรสชาติมาใครเจอตรงนี้เห็นมันหลงนี่ปัโตมันได้บทเรียนดีดีละยิ่งเห็นมันโกรธนี่ยิ่งได้บทเรียนดีมีมันเคยโกรธมาเป็นรอยเหมือนรถเบยคส่งมือสองถูกชนมาเหมือนกันรอยล้อมีไหม มีไหมไม่ขีมีรอยล้อไหมลอยขียดมีไหมโกรธใครมาบ้างมีเหมือนกับเอประตูมันก็ต้องเห็นเนี่ยประตูได้ช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองแบบนี้เก่งๆนะต่างเก่าขึ้นเรื่อยๆต่างขึ้นเหมือนกับซักเวลามันหลงเหมือนกับรู้จึกตัวมันซัก กอ อ, กอยากจะอามือมาลูบหน้า อ, อกอเวลามันลูกึ้นมาขยันอยากให้มันลงจอได้รู้บางทีประมาททาท่าคิดไป ท, ทําท่าคิดไปเอาโกรธ ด, ดูสิเขาว่าอย่างนี้น่าโกรธนะเขาทํากับเราแบบไม่น่าโกรธโอ้ยอย่าให้โกรธเถอะขงขืนตัวเราทําให้ลงบอกให้มันโกรธโกรธสิเอาสิ น่าจะโกรธนะไม่โกรธก็เป็นหมาตัวหนึ่งอ่ะเคยพูดไหมแต่เขาว่าขนาดนี้ไม่โกรธเหมือนหมาตัวหนึ่งละ่ะแบบนี้โกรธโอยอย่าให้โกรธเถอะขมขืนขมขืนตัวเองไม่ลง อ, อ๋อตัวเองดูหัวก็หัวโลนโลนดูเมื่อจีวรเราให้ข้าวหักินเราพ่อก็ไหวแม่ก็ไหวมันนั่งโกรธแบบมานรังทุกข์นอะไร มันทำไม่ลงเพราะนั่นนี่มันดีที่สุดเปลี่ยนโค้งโกรดเป็นโค้ไม่โกรดเปลี่ยนโค้งหลงเป็นค้ไม่หลงเปลี่ยนโคทุกโคไม่ทุกมันก็ไปเรื่อยๆถ้าจะมีน้ำหนักสักยกโลเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโมโมอ้ึ๊บเาใหญ่สลัดไปเลย จะเอะไปเลยดไป km, หกสิบกิโลเหลืออยู่สี่สิบกิโลวัดโตโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยเน่ยมันเป็นอย่างนี้เหรอเดินเหมือนกับไม่เดียบดินเอาเคยไหมไหเคยหับของหนักมากเวลาหับของหนักเดินทางไกลๆมีคนไม่รับหับออกจากบ่าเกือบจะเดินไม่เป็น น้องตาเคยหาบหน่อไม้มาเอาหน่อไม้ก่อนภูเขาอยู่บ้านน้องแก่อยมาหาบหน่อไม้ยัดเอาเผปาปอกเกือกยัดใส่กระตายกมันขึ้นต้องนั่งลงองไม่ขาเลยหาบมีคนมารับหาบหน่อไม้เอาเดินได้เป็นใส่ซกเส่โซไป มันเบากาลหุตาเบากายจิตตาลงหุตาเบาจิตมีได้กับผู้ปฏิบัติต่างเก่าของราวะเดิมน้องเปลี่ยนหน่อยจีอย่าประมาทเวลามันหลงรู้เวลามันไร้รู้ขึ้นมานี่คือจึงจะเป็นการปฏิบัติไม่มีไหมเธอมีหลงมีมีไหมอย่าหยุดถ้ามันหลงรู้สึกตัวเลย่ยไปเอาจนมันไม่มีหน่อเทียบ เดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาเนินเถสรวนเฉิญส่วเสริญดีใจเนินเถอะเสียใจใช่มไหมล่ะคุ่้มร้อยคุ่มดีไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรนั่ น, ไ ม, น ไ, ไม่เป็นอะไรไม่ขี่นะไม่เป็นอะไรเป็นอยู่นี่มาตรฐานมาตรฐานชีวิตของมนุษย์ถ้า อันเดินไม่เป็นมนุษย์เท่านั้นที่เป็นเรื่องนี้ ช, ชาติรัชฐานพัฒนาไม่ได้มนุษย์พัฒนาได้เรื่อจิตโสมนุษย์สัพปตปิลาโหก็อนเกิดมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐพวกเราเนี่ยมันก็บกรรลอบของเราแล้วยกมือขึ้นรู้ไหมรู้ไหมหลังลงรู้ไหมนานแล้วน่โพธิหนโพธิมือวางไว้ เพินงลู่สกในหละโพธิเมตโพธิลู้ลู้ลู้ไป